พลันหายไปวียนเปลี่ยนก็ต้องแลกต่อกันเท่าไรหากเลิศกลายร้ายต่างต้องมาเสียใจแต่ถึงได้ดีแล้วใครมั่นใจบอกว่าจีรัง จมกับภาพความหลังทั้งดวงใจเลื่อนลอยการอยู่เพื่อรอคอยที่จะสมใจทุกมองแต่ตอนตอนที่เป็นผู้ไปตัดใจตัดทุกมีใจเป็นการสิ้นรากทุกอย่าง จิงใจยอมเดินกลับลังด้วยพลังแปลงใจจะแบ่งจะบ้า ภาพความหลังทงดวงใจเลื่อนลอยการอยู่เพื่อรอคอยที่จะสมใจทุกมองแต่ตนตนที่เป็นผู้ไฟตัดใจตัดทุกนิจเป็นการสิ้นซากทุกอย่าง เด